มรรคแปดยังมีสมบุรณ์อยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันเลยถ้ามีมรรคแปดอยู่และมีผู้ปฏิบัติตามอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันเลยไม่ใช่ห้าพันปีนั้น ถ้าคนปฏิบัติมากเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ศาสนาก็ยืนยาวไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นมรรคแปดนี้เป็นทางปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมเป็นพะระฤยบุคคลโสดาสกิทาคานาคารหันมรรคแปดมีอะไรบ้าง หนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจจสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินีมากด ถ้าเราดำเนินชีวิตตามมากแปดก็เรียกว่าเราไปถูกทางถ้ามีมากแปดอยู่ในใจคนนั้นก็ต้องในบรรลุบางผลสัมมาทิฏฐิป็ปยังไงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดเห็นความแก่ เห็นความเก็บเห็นความตายที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายน่เราเห็นทุกข์เห็นทุกข์คือเห็นทางที่จะพ้นจากทุกข์เห็นทางที่จะดาเนินไปเพื่อพ้นจากทุกข์พูดง่ายๆว่าคือปฏิบัติตามนั่นเอง เอาธรรมะอริยมรรคมีโอแปดนี่เป็นทางดาเนินของชีวิตมีชีวิตอยู่ด้วยมรรคแปดเราจะมีความสุขมากถ้าใครเห็นเป็นสมาธิคือเห็นชอบเห็นตามนองกองธรร ม, มเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นป น, นาตาเห็นชัดอย่างนี้แหละจึงพ้นจากทุกข์ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เห็นอย่างนี้แหล ะ, ส, มม ส, ะสัมมาสังกปสัมมาสังกปะความดำรีชอบ ดำหลีออกจากกามดำหลีไม่พยาบาท ด, ดำหลีไม่เบียดเบียนนี่ถ้าคนปฏิบัติได้สองขังน้นนี้ก็ดีที่สุดแล้ว น, ะนี่นะต่อไปอีกว่ะนี่สมากรมรมตะการงานชอบอมสมมากรมรมตะการงานชอบ คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารย์ไม่ทำบาปทำกรรมนั่นแหละนี่ว่าการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบคือหากินในทางที่ถูกไม่ชอลาดบางหลวงไม่พ้นกี่ตีฆ่า ไม่หาด้วยวิธีรักขโมยทำมาหากินโดยสุจริยุทธธรรมเรานี่แหละเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมส ม, มาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนี่เราต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนของเราคือหากินไม่ได้ไม่ผิดทาง ให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องตามธรรมนองคองธรรมคือว่าหากินในทางถูกไม่หากินในทางมิจฉาชีพนี่แหละเรียกว่ามาัรกแปดข้อหนึ่งเหมือนกันสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบ เพียรพยายามละความชั่วเพียรพยายามทำความดีเพียรรักษาความดีไว้นี่แหละนี่ก็เป็นอริยมรรคมีองค์แปดเหมือนกันสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสตินี่ตั้งสติชอบหรือระลึกชอบนั่นเอง ร ล, ลึกไปในกายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือระลึกเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกเรานี่แหละลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าพยายามทำเรื่องนี้ให้ได้อยู่กับลมหายใจแหละลมหายใจออกลมหายใจเข้าเรามีสติรู้นั่นแหละ จะตั้งสติคอยเฝ้าดูรู้เห็นถ้าเราทําอย่างนี้นานเข้ากิจเราก็ต้องสงบเป็นสมาธิแต่ถ้าเราทําไม่ถูกหรือลังเลสงสัยเอาอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้เราไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจในคําสอนที่ครูบาอาจารย์อธิบายขยายความให้ฟังเรายังลังเรศสงสัยอยู่การปฏิบัติทำของเราก็จะไม่สําเร็จมากคนง่ายจะ ต, ต้องมีเรื่องที่ขัดข้องต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันถูกให้เอาอันเดียวไม่เอาหลายอย่างให้เอาอันเดียว ท่าหลายอย่างจิใจก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านยังไงฟุ้งซ่านโอ้อันนี้ถูกไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ดีไหมอะไรเ ง, งี้ยมันจะสงสัยไปหมดทุกอย่างเลยท่านให้ระลึกชอบหรือตั้งสติชอบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลักทำคำสอนมีมากถ้าจะเอาทั้งหมดมันไม่หมดเราเอาหัวใจมันเลยคือคอยกาหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นวิธีที่ดีแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนเลยอันอื่นท่านก็สอนไะ้เหมือนกันสี่สีส่วิธีตามปฏิบัติมีสี่สิบวิธีไม่ใช่ หนึ่งสองสามหรอกมีตั้งสี่สวิธีสี่สิวิธีเราเอาอันเดียวเราเอาสิ่งเดียวเราเอาข้อเดียวให้กำหนดอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวใจเราจะสงบเป็นสมาธิได้เพราะเราไม่ลังเลสงสัยถ้าเราลังเลสงสัย ว่าอันนี้ใช่หรือไม่อันนี้ถูกหรือไม่กาเรียกว่าหลังรีมันก็ไม่สาเร็จไดง่ายถ้าปักใจเชื่อว่าอย่างนี้และถูกแล้วเราจะทำอย่างนี้แหละกาหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละ อ, อันที่เป็นคำสอนพุทธเจ้าเหมือนกันนี่แหละคอยรู้อยู่คอยรู้คอยเห็นอยู่ ตลอดเวลาใจเราก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาอมพอเราเระลึกชอบเรียกว่าสัมมาสติระลึก อ, อยู่ในอกลมักนี่แหละหนทางแห่งความพ้นนี่แหละขอยเฝ้าดูใจของเราอยู่ตรงนั้นใจของเราก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมา เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วมันก็เป็นสัมมาส ม, มาธิคือข้อที่8ดสัมมาส ม, มาธินี่ก็ตั้งแต่ขณิกส ม, มาธิอุปจ า, มมารสมาธิอัปปนาส ม, มาธิขณิกส ม, มาธิกินของเราสงบนิดหน่อย ถ้าทําไปทําไปกิตสงบมากขึ้นก็เรียกว่าอุปจารสมาธิสา ม, มารถรู้ใจจะของได้อะไรได้อัปปนาสมาธิสมาธิชั้นสูงอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วถ้าใครได้ถึงอัปปนาสมาธิเรียกว่าเห็นชัดในความเป็นจริงทั้งหลาย แต่ที่เราสอนอยู่นี่ก็ไม่ถึงอุปนาสมาธิสอนถึงอุปจารสมาธิให้มีจิตมีความเป็นหนึ่งซะก่อนออพอเป็นหนึ่งแล้วก็สอนวิปัสนาให้เลยพอพิจารณาเห็นโทษในสิ่งที่เราพิจารณามันก็วางได้ถ้ามันวางได้มันก็ถึงพระฤาบคุคคลตั้งสดาบันขึ้นไป ถ้ามันไม่วางมันยังยึดถืออยู่มันก็ไม่สําเร็จแต่ง่ายๆมันก็ต้องรอไปหลายภพหลายชาติไปจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนนท์ถึงจะพ้นจากทุกข์หรือไม่งั้นก็ยิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอีกข้างหน้านนท์เราก็ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมันไม่จากจบสิน้นเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดทําดีบ้างชั่วบ้างตามอํานาจ บุญกุศลหรือบาปอกุศลของเราที่ทำให้เราต้องขุนหมูนเวยนในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องทำจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ได้เสียก่อนถ้าจิตเราสงบเป็นสมาธิแล้วใจเราก็สบายถ้าพิจารณาก็เห็นเข็มแจงชัดเจน แต่วันนี้ยังไม่เทศเรื่องการพยายาิจารณาเทศเรื่องให้ทาใจให้สงบอย่าลังเลคอยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหายเจาออกยาวก็รู้ว่าหายเจ อ, อกยาวหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเนี่ยให้รู้อยู่เพียงเท่านี้ ทำอยู่เพียงเท่านี้แหละไม่ต้องไปทำาืออื่นๆความลังเลสงสัยอะไรต่างๆให้ทิ้งไปอย่าเอาไว้ในใจเราจะตั้งข้อสงสัยเอย๊วัดนี้ทำไมไม่สอนเหมือนวัดนั้นวัดนั้นทำไมไม่สอนเหมือนวัดน้นเราก็คิดไปก็เปรียบเทียบอย่างนั้นแหละวัดนั้นน่าจะดีกว่าวัดนี้ โอวัดนี้ก็มันเช่ธรรมดาอย่างวัดเรานี่ก็สอนพระอาจารย์มหาไพบูุ์ก็คอยควบคุมดูแลเทศนาแสดงธรรมโปรดมีคอันี้แหละอามามาเทศสองครัง้งสามครั้งปกติแล้วเทศครั้งเดียวปล่อยเลยแต่คราวนี้เทศหลายครัง้ง เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุดให้ได้มรรคได้ผลให้ได้พระนิพพานตามคำสอนของขราพุทธเจ้าเราจะได้ขั้นไหนก็เอาบทแหละขอให้เราปฏิบัติถูกก็ใช้ได้แล้วถ้าเราปฏิบัติถูกแล้วก็ดีจิตของเราจะเป็นสมาธิสูงขึ้นความสุขใจก็จะมีขึ้น การได้มักได้ผลก็ต้องเกิดขึ้นเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราให้ทำให้มันถูกท่านเองถ้าเราทำให้มันถูกแล้วมันไปได้มันไปได้จริงๆเรียนรู้ตำราคาพีอ่านหนังสือวิธีปฏิบัตินั่นนี่อันนั้นก็ดีอยู่ แต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่ทำเองมันก็ไม่ใช่ความรู้ของเราหรือเกิดขึ้นในใจเรามันเป็นความรู้ความเห็นของคนอื่นอยู่แม้แต่คำสอนพุทธเจ้าที่สอนไวก้ก็อันนี้ก็เพื่อทุกๆคนใครเอาได้ตรงไหนก็ดีไปตรงนั้น อย่างเรากำหนดสอนว่าให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาสิบหกขั้นนนะ่น่ะเราเอามาสอนแค่สี่ขั้นท่านเองสี่ขั้นนี่ยก็สามารถทำกิจให้สงบได้แล้วดูลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวนี่เราปฏิบัติอยู่เพียงเท่านี้ ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นนี่เราก็มาทำใจของเราอย่างนี้เราสังเกตว่าลมหายใจของเราสั้นหรือยาวเราก็คอยตั้งสติเฝ้าดูอยู่ตลอดเรื่อยไปจนเห็นว่ากายนี้ระงับลงท้านจะว่ากายสังขารกายระงับลง คือลมหายใจนั่นเองมันอ่อนลงไปจนไม่สามารถกาหนดรู้ได้จิตมันเข้าสมาธิลึกสบายมากจิตใจปลอดโปร่งเห็นลมหายใจของตนเองอยู่ตลอดนั่นะมันได้แล้วนะ่มันภาวนาเป็นแล้วองตำราเป็นเรื่องหนึ่งแต่การกระทาก็อีกเรื่องหนึ่งพอเราไปสงสยัยเอ๊ะตำรา น, นี่สอนว่อย่างนี้แต่ว่าทา ทำาไมเวลาทาสมาีิมันไปอย่างนั้นมันไม่ตรงหรอกให้คอยทาขึ้นมาแล้วจนมันเป็นไปแล้วมันถึงไปรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้นนนนมันถึงรู้ภายหลังแต่ถ้าตอนยังไม่ได้อะไรนี่โอ้ยมันสงสัยไปหมดแหละห้ามไม่ได้หรอกห้ามไม่สงสัยนี่เพราะคนมีความคิดอยู่เนาะความคิดนั่นคิดนี่อยู่ จะให้ไม่ลังเลสงสัยได้อย่างไรไมันก็ต้องลังเลสงสัยเพราะมันไม่เกิดธรรมะขึ้นมาในใจแต่ถ้าทำแล้วหัดให้มันเกิดมีขึ้นในใจนี่มันก็เป็นการทำที่ถูกต้องเห็นอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกทำมาอยู่นี่แหละ จนมันอยู่จนมันอยู่ในอํานาจของเราได้คืออํานาจสติสมาธิปัญญานี่ได้สมาธิที่สมาสังกตปะนี่เป็นปัญญาศิกขาสมาวาจาะสมากรรมตะสมาชีวะอันนี้เป็นศีลสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิ พพระพุทธเจ้าสอน่สัมมาทิฏฐิคือปัญญาขึ้นก่อนเลยคนมีปัญญาจึงรักษาศีลได้คนมีปัญญาถึงสามารถทำจิตให้สงบได้ถ้าไม่มีปัญญาแม้ศีลก็รักษาไม่ได้จะทำจิตให้สงบขึ้นไปถึงมักซึผลก็ไปไม่ได้เพราะมัยัาไม่ถูกทางอยู่แต่ถ้าเราทำให้ถูกทางแล้วมันก็ไปได้ไกลก็ลสามารถไปรู้มากผลได้ ไม่ใช่ธรรมดานะคาสอนของพระุทธเจ้าที่ถ้าเราทำตามถูกต้องแล้วนี่เราเบาสบายที่สุดเลยจิตใจก็สบายอะไรก็สบายเขาเรียกกัว่าบรรลุมรรผลมันไม่เสื่อมไม่ถอยเลยมันมีสติเห็นลมยู้อย่างกันมันสบายกันนั่นแหละมันไปถูกทางแล้วนี่แหละมัน ตามหลักของการปฏิบัติที่ว่าโลกจะไม่ว่างจากพระรหันก็เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้คือวิธีปฏิบัติตามมรรคแปดเอาธรรมะคือมรรคแปดนี่แหละไปไว้ใช้ในชีวิตประจำวันศึกษาเข้าใจมีอธิบายละเอียดอยู่ในพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ที่ได้ไปพิมพ์มา่ มันมีเรื่องมรรคแปดนี่สมบูรณ์มากอาริยสัจสี่อธิบายสมบูรณ์มาก อ, อ, อธิบายอย่างดีเลยเริ่มต้นอธิบายเรื่องศาสนาต่างๆต่อมาก็เริ่มต้นอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นอริยสัจสี่และอธิบายมรรคแปดอธิบายกุศลมูลอกุศลมูลเราสามารถหาความรู้ได้จากที่ลงทะเบียนนั่นแหละนั่นแหละ เอามีให้อยู่ให้ศึกษาเอาเองแล้วให้ดำเนินชีวิตตามนั้นตามมรรคแปดนะเนี่ยเหมือนเราทําอยู่เดี๋ยวนี้แหละเราทําอยู่นี้เราก็อยู่ในมรรคแปดสีลเราก็อยู่ในมรรคแปดสมาธิเราก็ฝึกอยู่ในมรรคแปดแต่ว่าผู้ฟังผู้ปฏิบัติ อย่าไม่เข้าใจอย่าบาังคับลมหายใจอย่างนั้นถ้าบาังคับลมหายใจจิตจะไม่สงบแต่ถ้าคอยรู้เฝ้ารู้เฝ้ารู้เฝ้าสังเกตอันนี้ไม่เป็นโทษแต่ถ้าเพ่งว่าไม่อยากให้คิดไปไหนมาไหนอันนี้เป็นโทษไม่สามารถสำเร็จมากผลได้เพราะทำไม่ถูกทางแต่ถ้าเราคอยดูว่าลมหายใจเข้าออกนี่ ใจเราอยู่กับความสงบไหมใจเราปล่อยวางได้ไหมใจเราสบายไหมมันไม่กังวลในเรื่องใดๆใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้พรู้จักว่ารู้รู้จักทางแล้วไปได้เองแล้วนี่แหละเราต้องปฏิบัติให้ได้คอยเฝ้าดูสังเกต ด, ดูอยู่ตลอด ใจเราก็จะสงบเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเอาไปทำวิปัสนาไปนี่ไปวิปัสนาก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาปล่อยวางได้ละเลิกได้ถอนได้มีพบมีชาติอันชั้นเข้ามาไม่ต้องไปเกิดเป็นหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติเราไม่ต้องไปทุกข์ปานนั้น ถ้าปฏิบัติทางของสอนพระพุทธเจ้าแล้วจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัวโัเมียหรือว่า้านเดือนให้มีปัญญาให้มีศีลให้มีสมาธินี่หลักคำสอนหลักคำสอนที่เป็นหัวใจเาพระพุทธเจ้าแต่ละเวเมพิกเวอันตาวจิเตนะเสวิตบา โยจายังกามาสุขันิการุโยโคทุกโหนริโยนัสสานิโตเอเตเตภิกเวอุปโอันเตนุปขบมะมัชมาปฏิปทาีนื้อหุริเจ้าแต่ไดอย่างนี้เลยมัชมาปฏิปทาเนี่ยคืออะไรก็คือมรรคแปดนั่นเองเป็นทางดำเนินไปเพื่อขวามคนทุกขหนีจากกองทุกข์ได้ไม่ตกไปสู่ภพภูมิอันต่ำ เราต้องได้เป็นโสดาบันเราต้องได้เป็นพระสกิทาคามีเราต้องได้เป็นพระอนาคามีถ้าปฏิบัติไม่หยุดมีวุญวาดสนามพลมีมากมายในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นทุกขทั้งหลายทั้งพวงเลยมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขท่านว่านิพานังปละมังสุขขังพระนิพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ถ้าเราปฏิบัตินี้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออันอื่นอย่างอื่นเราปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์ถึงมารถึงผลถึงพระนิพพานเราต้องการอย่างนี้เราถึงตั้งแนวการว่าให้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นอริยมรรคอย่างเมื่อคืนก็ได้ฟังมาแล้วเรื่องอริยสัจสีเ่เรื่องแต่ว่ายังไม่ผู้ฟังก็อาจจะ ยังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจไม่แจ่มแจ้งเพราะเป็นภาษาธรรมะเป็นภาษาที่เก่าแก่หน่อยหนึ่งอันนี้มาอธิบายนี่ภาษาปัจจุบันภาษาที่ทำให้เราเข้าใจกันให้พิจารณาเข้าไปว่าขณะนี้เราเดินดำเนินชีวิตตามากเปลียดมากน้อยแค่ไหน มักแปนี่แหะเป็นทางดําเนินของชีวิตครอบครัวนห้นก็ตามถ้ามีมักแปดครอบครัวนั้นจะมีความสุขมากถึงแม้จะไม่ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้เป็นสุราบันก็มีความสุขนี่แหละเราปฏิบัติได้เราทําได้คําสอนพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์อยู่ยังมีอยู่คําสอนเหล่านี้ สอนเข้ามาที่ใจเราสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนไปที่อื่นสอนเข้ามาที่ใจของเราให้ใจของเราหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ให้ได้เพราะฉะนั้นมาแปดจึงเป็นทางปฏิบัติเพื่ อ, อควมพ้นทุกข์จากทราบรายละเอียดก็ไปเอาตามหนังสือนั่นแหละมีอยู่ แต่ถ้าฟังก็ให้ตั้งใจฟังให้พิจรารณาเราอย่าคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้คิดว่าเราจะทำให้มันได้ทำให้มันเป็นทำมันให้มีมกักมีผลเกิดขึ้นในใจของเราให้เราตั้งใจปฏิบัติจริงๆ เราจะเห็นความสุขในวัฏฏะอันนี้ในการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ถ้าเราเห็นธรรมเห็นทุกข์คือเห็นธรรมให้พิจารณาว่าเราทำในขณะนี้มันถูกต้องแค่ไหนให้พยายามแก้ไข ให้การปฏิบัติดิรำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆอย่าหลังเลแต่ถ้ามีศรัทธามั่นคงแล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานี่มีค่ามีความหมายจริงๆกับชีวิตของเราท่านะให้ตั้งใจปฏิบัติไปอย่าท้อถอย ไมว่ามันจะยากขนาดไหนนั่งไฟมันเก็บแง่งเก็บขาหูสารพัดเก็บไปหมดทำหลังตามเอวนั่งกว่า น, นัลุกไปเอากลับมานั่งต่อเหนื่อยนั่งทั้งวันน่ะ ที่จริงไม่ได้นั่งทั้งวันหรอกมันมีสีข้าบแตนเองแต่เวลาที่เหลือเราไม่ไม่ไม่ใช้ในการอย่างอื่นก็เอามานั่งต่อที่นี่ลราสบายดีมีแอร์มีอะไรที่มีกุฏิวิหารที่เห็นอยู่นี่ก็เหมือนกันที่พักที่อาศัยก็ไปเอาของจากนู่นแหละร้านกิธิพัฒน์นั่นแหละอบมาสร้างสร้างกุฏิสร้าง ศาลาสร้างนั่นดั่งนี่นนนนที่ญาติโยมเห็นอยู่นี่ข้าวหนึ่ ง, งจ่ายเงินไปไม่ไม่ใช่น้อยค่าของก็แพงแต่ก็มาเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เราถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราสามารถบรรลุมรรคผล ขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติเวลาน้อยแต่ถ้าทำจริงมันก็ได้เหมือนกันถ้าทำเป็นแล้วไม่ทิ้งคอยก็หมดรู้อยู่ตลอดอย่างนี้ก็เรียกว่าทำความก้าวหน้าให้กับการปฏิบัติเราได้แล้วเราออกไปสู่โลกภายนอกแล้วก็มีสติเห็น จอจของเราอยู่ตลอดอยางนี้แหละเราก็หนีจากกองทุกได้เราไม่ทุกขอีกต่อไปแล้วอะไรงเงี่นะนี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันดีอย่าท้อถอยเลยอืมให้ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติตามอะไรตามพระมีองค์แปดนี่เองคือมรรคแปด เรียกว่าทางแปดทางทางแปดทางนี้เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อนี้จากกองทุกขเพื่อให้รับความสุขความสบายในใจของเราเท่านี้แหละกุติวิหารก็คุ้มค่าสร้างไว้ไม่ไรประโยชน์มันได้ประโยชน์ เกี่กับทุกคนที่มาพักอาศัยปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนก็เริ่มที่จะรู้ว่าโอ้ความสงบเป็นอย่างนี้ความไม่สงบเป็นอย่างนี้เริ่มรู้แล้วเราก็จะเห็นลมหายใจของเราละเอียดลงนั่นเนี่ยทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจว่าข้าพระเจ้าเหนื่อย ยากลำบากอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดคนเราก็ตายหมดทุกคนน่ะใครก็ตายเป็นเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีไม่เหลืออยู่ในโลกนี้หรอกแต่เอาความดีที่เราทำให้มันมีประจําใจของเราให้เราได้ความสุขความเจริญในทางของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัต ให้ดีตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำพําสอนให้จับหลักปฏิบัติให้มันได้ที่มาพูดวันนี้ก็เพื่อที่จะให้จับหลักจับหลักการปฏิบัติให้ได้ออจิตมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงให้มันทำถูกให้ทำเป็นถ้าทำถูกทำเป็นแล้ว เราก็สบายถ้าทำให้เป็นก็เสียเวลาเปล่าๆเกียรติวันไม่มีความหมายเลยแต่ถ้าทำเป็นแล้วทำได้แล้วนี่โอ้ยมันคุ้มค่าไปหมดหละมันคุ้มค่าไปหมดอะไรๆก็ไม่ทำขึ้นมาเปล่าๆสามารถทำขึ้นมาให้ผู้ปฏิบัติได้อาศัยปฏิบัติธรรมนี้จากกองทุก นี่จากการเรียนวหา้ตายเกิดในวัฏสงสารนี่แหละอย่าเพ่งอย่าบังครับคำว่ากำหนดลมก็คือการกำหนดรู้รู้อะไรรู้ลมหายใจเข้าออกเองอย่าไปบังคับว่าอย่าให้มันคิดอย่าคิดไม่ไม่อยากคิดอย่างนี้ไม่อยากคิดอย่างนั้น คิดก็ไอคิดอยู่ในสัมมาสังกรปรความดำรีชอบัลนดำรีออกจากกรรมดำรีไม่พยาบาทดำลีไม่เบียดเบียนเน่แม้ถึงความคิดเรายังรักษาป่านี้นะหนึ่งคิดออกจากกรรมสอง คิดไม่พยาบาทคือผูกใจเก็บกับคนนั้นคนนี้ไม่คิดไม่คิดพยาบาทดำรีไม่มเปลี่ยนให้มันดำรอยู่แค่นี้แหละทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีให้มันอยู่แค่เนี้ยดำนี้ไม่พยาบาทดำดีออกจากกราร ดำดิไม่เบียดเบียนเนี่ยให้มันคิดอยู่แค่นี้เราไม่ต้องบังคับลมหายใจเข้าออกหรอกถึงไม่บังคับมันก็หายใจเข้าออกอยู่แล้วอืไม่บังคับมันมันก็ออกอยู่แล้วแต่ว่าเพียงที่เราตั้งสติดูอดระวังความคิดของเราเองเราระวังให้ดีความคิดของเราอดำดิออกจากการไหม ดาดีไม่ใช่บาตรไหมดำดีไม่เบียดเบียนไหมเนี่ยเราควบคุมได้หมดลเลยดำดีไม่ใช่พยาบาทไม่เบียดเบียนดําดีออกจากกรรมเท่านี้มันก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้เห็นทําได้แน่นอนอถ้าเราดําเนินตามมักแปดดูสิ เอาหมดทุกข้อเลยว่าเราต้องทําอย่างนี้ในชีวิตครอบครัวเราต้องมีมรรคแปดเป็นเครื่องอยู่ตั้งมั่นอยู่ในมรรคแปดครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวอริยะเป็นครอบครัวที่มีความสุขความเจริญเป็นครอบครัวที่ไม่ตกต่ําตายแล้วไม่ไปนรกเลยไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพาน ถ้าครอบครัวไนะหนปฏิบัติตามมรรคแปดเอาชีวิตของเราให้ดําเนินตามนั้นกิจาการของเราก็ให้มีมรรคแปดเราทําตามมรรคแปดเราจะมีความสุขความเจริญจริงๆเราจะมีความสบายใจสบายกายสบายทุกสิ่ทุกอย่างดีไปหมดนั่นแหละขอให้เราทําถูกคําสอนพระพุทธเจ้าแม้ข้อเดียวเท่านั้นเอง ไม่ต้องเอาหมดทั้ง 84,000 ื่่พันพระธรรมคันเอาข้อเดียวเอาข้อสัมมาทิฏฐิสัมมาสกักรปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา ส, ส ม, มาธิเนี่ยมีเท่านี้ ศาสนาอื่นไม่มีอาคาเสวะประดังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรสุพัทถะปรีพาโชกถามพระพุทธเจ้าอืสุพทถะปรีพาชกก็ไปถามถามว่าศาสนาอื่นมีมั้งมีผลไหมศาสนาไหนมีมั้งมีผลพระพุทธเจ้าตัดว่า ศาสนานี้ก็ตามที่มีอริยมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นมีมรรคมีผลคือมีเป็นพระราโบคลได้ตั้งแต่โสดาปฏิมรรคโซดาป ฏ, าปฏิผลสกิทาคามรรคสกิทาคามีผลอนาคามรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตผลนี่ ศาสนาไหนมีมักแปดศาสนานั้นมีมกัมมกมีผลถ้าไม่มัมกแปดก็ว่างเปล่าจากมักจากผลจากพระนิพพานเพราะฉะนั้นมักแปดจึงเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับชีวิตของผู้ปฏิบัติเดือดคนชาวพุทธทั้งปวงถ้าตั้งอยู่ในมักแปดได้หมดทุกคนในประเทศอันนี้จะร่มเย็นเป็นสุขมากเลย ความสุขก็จะมีมากจะมีมากขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วว่าศาสนาไหนมีมรรคแดหรือสอนกันเรื่องมรรคแปดศาสนานั้นจะไม่ว่างจากมรรคผลแต่ว่าในศาสนาบรรดาที่มีอยู่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยครูทั้ง6 ไม่ได้พูดถึงศาสนาคิดอิสลามปัจจุบันนี้สมัยนั้นไม่มีการสอนเรื่องมักแปดเลยมีศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นสอนเรื่องมคกแปดสอนมักแปดให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องจนถึงได้บรรลุมรคว่นมีอยู่ในพุทธศาสนานี้เท่านั้น ศาสนาอื่นไม่มีเพราะไม่ได้สอนมาร์เกตจึงไม่มีศาสนาพุทธของเราสอนมัร์เกตเราประพฤติก็ประพฤติตามมัรเปกตเราทําตามมัรเปกตชีวิตของเราจะมีสุขมากจะมีความสบายมากจะมีควา ม, จวามเจริญมากครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวอริยะคือครอบครัวที่ประเสริฐ ไม่ใช่เป็นครอบครัวที่ตกต่ำเพราะอะไรเพราะเขาปฏิบัติตามมาร์กเกตทั้งครอบครัวทั้งบ้านดั่มดีชอบอันนี้สําคัญที่สุดอันนี้สําคัญที่สุดความดั่มดีนี่แหละมันพาให้คนไปตกต่ําถ้าดั่มดีชั่วก็ไปชั่วดั่มดีถูกก็ไปถูกก็ไปสูง ทำมาหากินอยู่ในโลกนี้ก็เจริญกล้าวหน้ามีความสุขกายสุขใจไม่มีบาปไม่มีมวลทินมีแต่ความสบายใจทั้งนั้นขอให้ปฏิบัติตามมรรคแปดนี้ให้ได้ทุกคนแสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วขอยุิไว้เททานี้